ธรรมะมที่พระพจ้เาเจ้าจ้าทรงแนะนำทรรมสอนปับพระองค์ไม่ได้เอาออกมาจากที่อื่นเอาของที่มาหยุดมือยู่มามาแนะนำาตับของที่ไม่มีพระเจ้าเจ้าาก็หานบ่ได้เหมือนกันกับพวกเรา เพราะของมันมีจะหาเท่าไรมันกม็มีอยู่นั่นเองของถือมีอยู่กต่เทราะว่าเราไม่สลัดก็ไม่สมา ม, มารถที่จะทําห้เป็นสาระประโยชน์บด้หน mm. ี่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สลัดคนคิดเช่นนี้คจริญนาธรรมะซึ่งมีอยู่กับโลกมาสอนโลก ให้รับตามร่มเย็นเป็นสุกเป็นสามารถอดถอนที่เหลือซึ่งมีอยู่ในใจออกไปได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้านำมาตั้มสอนก็ไม่ใช่อีนซึ่งมีอยู่ในโลกและมีอยู่ในบุคคลถทัขวไป อย่างทานก็คือของมีอยู่พระพุทธองค์แนะนำคำสอนให้บริจาคการบริจาคทาน <c oughs> เป็นการเสระแสลาที่โลตอย่างหนึ่งซึ่งสิดเกาะอยู่ในหัวใจของเรา เรียกว่ามัตรยะทานตนิหงแ ห, น, แหนในสมบัติพัตติฐานเมื่อให้ทานออกไปความหงแหนเ ห, หล่านั้นก็จะหมดไปเพราะขาดสมาธิทั้งสมการให้ทานจริงจนตงการตัดตังบนในส่วนที่เราได้ให้ไป ส่วนใดที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราส่วนนั้นแหละจะทำให้เรากังวลในการรักษาดูแลการให้ทานให้เดือานเป็น อ, อกเป็นใจไม่เสียใจอย่างเขามาขโมยเอาพระพุทธเจ้าจริงว่า้านสละให้ทานวนตานบุญกานกุศล คนที่ให้ทานได้ชื่อว่าเป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีสเสน่ห์ครอบคราสสมาคมคนทั่วไปได้ย่างสะดวกสบ า, า, ายห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆเราะการให้ทานสงเคราะห์คนอื่นก็คือสงเคราะห์ตนเองค น, อนคนที่ได้รับ สงฆ์เขาอนุฆาจากเราเราจะได้เยี่ยมเยียนเขาเขาก็จะต้องสอนรับเราเหมือนอย่างเราสอนรับเขานี่แหละอนุสงศ์ปัจจุบันทันตาคือว่าจะไปสถานที่ใดใจด้วงตายสบายใจเราให้เขาอย่างไรเขาคว่าจะต้องให้เราอย่างนั้น เขามาบ้านของเราเราสอนรับเขาดีเราไปบ้านของเขาเขาก็เสรตจอนรับสอนรับเราดีเหมือนกันเหวุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำทารให้ทานกา ร, ารให้ทานนี่แหละเป็นตัวสําคัญเป็นบารมียังต้นถื่พระพุทธเจ้าเท่ากับทำบ่มเพาะมาจนถึงตาว่าก่อนที่จะตัดรู่เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ขอให้ท า, านเหมือนกันแต่ให้ทานสั้นประมาทเพื่อให้ทานอย่างสูงสุดก่อนที่ขึ้นนั่งบัลลังก์ในลมไม้สีมหโคดถ้าองค์ทรงอธิษฐานเอาวะเลือดเนื้อในตายจะเหียดแห้งไป ก่อตา่างเหลือแตเอ็นกระดูกก็ต่ตางถ้าหากเราไม่สมเ็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรจะไม่ลุกหนีจากที่ที่ต่อเตือนให้ทานท้นปรามัดละละวางชีวิตอินทรีย์มีความห่วงใยในชีวิต จะล่มหายตายไปกว่าตามถ้าคุณงามควานดีในส่วนมีถ้าองค์ใม่ยอมหนีจากที่เป็นการให้ทานอย่างใหญ่โตละหโหฐ า, านนีพวกเรา <c oughs> ให้ทานไม่ได้ถึงขนาดนั้นตัปก็พากันทำทานการบูรล์มีการตักบากรยังหันทำกันอยู่ทุกวันทุกเวลาก็รออัก เรื่องที่ตรวจปัญหาไปได้ตามขั้นตามภูมิของสมที่สละออกได้ทานจริงเป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำทำพร้อมสัตว์หรือศาสนาของพระพุทธเจ้าที่จะดํารงทรงอยู่ได้ก็อาศัยการให้ทานเป็นหลักแก้วของพระพุทธศาสนาเกตุสามเณร ในประเทศไทยของเรามีจานวนมากมาเคยทำนาค่าขายอะไรอาศัยชาวบ้านผี้มีศรัทธาทำปานให้ทานทางนั้นชีวิตของขท่านกินอยู่บ้านผาหาัดขาดการทะโนทะ น, นอมขาดการเสียสลัไมีมูลศรัทธาให้ทานยึดสุสา ม, มาเนินก็อยู่ในวัดบาศาสนาได้ กว่าทำคุณงานคามดีอะไรต่อไปก็าทำไม่ได้เพาเหัวใบเสถีของที่สุกมีหน้าหนะาไปทำนาเองไปฆ่าขายเองยึดจับเงินายของจึงเป็นอุกิยะเขาพูดต่อว่าของห้าไม่เห็ จ, จับต้องของเหล่านั้นเหตุนั้นซีริสของที่สู่ตามามาเหนื่งจึงเห็นได้ว่า เป็นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของพวกอุบาสกอุบาสิกาผู้ยินดีให้ทานทำการกุศลผู้ที่ให้มีศรัทธาผู้รับถึงเป็นปฏิภาห์กใจดูสบางในการจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีผู้ให้ประหยัดกันได้กับกองสเสบียง สู่รับคิดตูสามมาเนียนเกียบเมื่อนกันกับทาหารแวนวหน้ทาทหารที่จะมีกำลังสู่รับขบตัดสามหน้าที่จะยึดท่าสึกปราบสดตูได้ก็อาศัยเสบียงคืออาหารหากว่าไม่มีสเสบียง เรื่องว่าเรงร่างกายแล้วถ้ า, ารจะฝึกสนรู้สนานในการลบมาสัท่าร่ยอาวุธจะดีสัทธารายประการก็ไกม่ ส, มสามารถที่จะหยิบยกขึ้นต่อบ้านก็ข้าฝึกได้ฉันได้ปลกชายยกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้ถวายอาหารการยุญทราบ า, บาตลอดถึงข้าเนื่องข้าหงสมสมนกัน คือที่ศึามมากษาแม่นเนได้มีกําลังอยู่ในพระพุทธศาสนาอุชาเอออุชาศึกษาเราเรียนคันถาทุระหรือปฏิบัติเรียกว่าลิปัสชนาทุระตัวต่างก็อาศัยการให้ทานเป็นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญ อ, อันหนึ่ง ซึ่งพวกเราทายกอุบาสุอุบาสิกาเคยได้ใจทำบำเพ็ญกันมาอยู่ทุกวันทุกเวลานี่แหละทำสองของพระพุทธเจ้าสลงระโยนตทานให้ทานว่าเป็นว่ากลาของพระพุทธศา ส, าสนาอันหนึ่งตานให้ทานก็ อ, อาศัยของที่มีอยู่นิสสาลของไม่มีจะไปเอาให้ทาน เขามีให้ทานไม่ได้แต่กองอาศัยถือของมีอยู่เรามีอะไรเราก็ให้ไปตามศรัทธาของเรามีท้องไม่ดีอยากจะให้ท้องดีมันก็ให้ไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะเหตุใดเขามันไม่มีเรามีอะไรให้ย็นดีตามตามมีตามเป็นของตนอย่าไปว่าเย็นว่าการให้ทานของเราต่ำชาลามก หรือไม่ไปหยุดบัรจงการให้ทานพาระก็ใชเจ้าจึงกล่าวว่ามีอยู่สามสถานคือชาติานสหายท า, า, านลิสาเมีจิทานชาติานหมายถึงว่าเราบริรโภคอุปโภคของ ยุดของดีต่ทของเลวานที่เราม่ใชนุ่งผมหรื อ, องเหวซานที่เราไม่รับรับประทานไม่ได้เอาอันนั้นแหละไปให้ทานของต่ำช้าลาม็งซึ่งตงนเองไม่ชอบอกพอใจให้คานเขาไปอย่างนั้นเรียกว่าฆาสทานคืทานต่าทานอย่างเข้ฆ่า เราคนชายทําไมดีให้เข้าไปว่าอา น, นิสงส์มันกว่าตา่ำป่าหาว่าทานหมายถึงทานเส ม, มอตนเหมือนคนที่เป็นมิตรเป็นปาหารักเข้ากันเรารับประทานอะไรก็ยินดีที่จะให้ปาหายเารับประทานร่วมเรานุ่งห่มอย่างเราก็ยินดีที่กว่าคนข้าปาหายเหมือน ก, นกันกับเรา นุ่งเราเหม่มขอทงที่เราทำหรือตลาดออกไปเสมอาการกับของที่เราใช้ประวิโลกเราสื่อว่าสหายาานอานิาสงส์เป็นปานปานส่วนสานีทานเป็นทานท่านสูงคือเราหนุ่งเราเหม่ม อ, อย่างหนึง่งเออเราเลือดทับจัดสัน ของที่ดียิง่งกาที่เรานุ่งเราหม่มไปให้ทานเราขบเราฉนันเราอยู่เราจิ้นอย่างหนึ่งเลือกทัดบวบัดสันเอาขางางองดีของดีไปให้าา 3, 4, ทานเลือกป๋าหมิ่นจิ้นทานหรือชิมาทานนัชชิมาทานอุตมะทาน hips, ทานอย่างอุดมนี่เลือ These, กปานให้ทานเป็นมาอย่างนี้ถ้านพุทธเจ้าโปรดบัเพ็บารมีทานให้ทานน เป็นเวลานมนานเหมือนตัดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ปรัสรู้จึงแนะนำคำสอนสัตว์ให้ปฏิบัติในปานให้ทานจึงจนคำสอนซึ่งพวกเราทั้งหลายมีอยู่เคยทำอยู่และให้ยินดีในการแต่ทำบำเพ็ญของตนว่าตกวดผลดูคานสุขสของใจเพราะปานทำไป เป็นสาระประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นตัวเองที่ได้สละเ่า็ดีอกีใจมนเหงแหนเกียวไว้าว่าเป็นคนดียวลข้อที่สองที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าคน็นของดีและเคยมาแนะนำธรรมสอนสัพท์ทั้งหลายให้รู้จักศีลก็ไม่มีอยู่ที่อื่นที่ใด ซึ่งโรคทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยรักษาบุคคลไม่เคยที่จะเล่นอาวสีเป็นอย่างไรถ้าพวกเจ้าเจ้ากว่าเก็บเอาขีนจากตายตายจากเจ้าของเราเนี่ยแหละออกแนะนำคำสอนตัดทั้งหลายคอยรู้ตัดอุบายที่จะตัดอย่างของตำโดนต่อไปขีน ถ้าหากเกียดเกียบกับทานศีลยังมีทานสูงดีเด่นกว่าเรื่องทั้งทานไปอีกเพราะเหตุใดเพราะทานหากเราให้ไปแต่ไม่มีการรักษาศีลเอาเสียเลยเรียนกรรมที่เราทำทั่วยังมีติดตัวอยู่อยากทำอย่างไรทำไปตามอำเภอใจทำไปตามอำนาจของทีเล็กปัญหาไม่คิดว่าเขาจะเสียอกเสียใจ จะเป็นภัยเป็นเดือนสียตนเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้หนสนใจรักษาสงขีนคือรักษากายรักษาวาจาตายวาจาก็ไม่มีอยู่กับบุคคลผู้อื่นอยู่กับตัวของเราเอ ง, รงเราจึงมีเวลาที่จะแต่ทำบําเพ็ญได้ทุกตานทุกเวลาเรื่องศีลของเราศึงที่ท่านบัญญัติไว้ ข้าอตามแปดก่อตามสิบก่อตามสองร้อยยี่สิบเจ็ดก่อตามสีเหล่านี้เป็นสีสังคมเป็นสีที่ทําโลกให้งานชากบุคคลไม่ติดตามรักษาโลกทั้งหลายก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีสีลมีธรรมกันคนที่ไม่มีสีเราอยู่ในจินดาวสถานที่ใดประเทศใด จะต้องได้รับความเดือดร้นอนเพราะคนไม่สังวรไม่รักษาชีเิียังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกของเราหวาเนื้อเชื่อแววตาคนที่ไม่มีชีวิตทิ้งแน่จะให้ทานทางการสุขสนใหญ่โตละหางกันตะเราไว้ต่างก็วย่วมเบียวเบียน คนอื่นปับอื่นให้ได้รับความหวดหวั่นตัยว ร, เ, ร, ย เ, รยเกิด้นจากปานไม่มีสีนับไม่ถ้วนเวดนั้นปานรักษาสีจึงรักษาสี่ส่ายสีฝ่ายจาทขง ส, งสงมให้กันเหนื่ยอยเ่าว่าเรารักสมบัติทัสถานของเราอย่างไรเรารักชีวิตของเราอย่างไรเรารัก บ, บุตรของเราญาติมนีของเราอย่างไร คนอื่นสัตว์ื่นเขาก็มีความรักใครในชีวิตของเขาเหมือนกันกับเราเมื่อเราคิดบด้อย่างนั้นการที่จะไปทำร้ายเขาการที่จะไปขโมยเขาการที่จะเตไปล่วงเกินบริเวนีในบุตรที่บางสามีภรรยาเขาก็จะหายไปเพราะเราคิดถึงอกถึงใจทั้งเราเมื่อเขาล่วงเกิน เรากชออกเชืใจขนาดไหนเรา จ, ออ จ, จนานึงไม่ควรที่จะไปเลื่วงโฉนเล่วงกรรมสิทธิ์ของคนอื่นียเงื่อลักษาได้ยิงทำโลกให้เยือกเย็นเียความจริงถึงมี 5, ห้าฤกษ์ปดตสองร้อยี่สิบเจ็ดประกอบไปด้วยโทษถ้าหากไม่รักษา ศีลที่พระพุทเจ้ า, าบอกไว้จปข้ากหา้ไม่ให้บุคคลไปทำชั่วถ้าหากรักษาได้อานิสงส์ก็เกิดความย็นสายสบายใจเพราะไม่คิดเห็นใจเว็นเดมที่ก่ามาเพะเกี่ยวถึงตัวพระตัวของเรามีศีลศีลเกิดขึ้นจากเกี่ยวปะนะ ถ้าหากรวมลงแล้วศี้นถ้าเราต่าตามก็มีตัวเบี o ่ยวืตัวเกียรตปรนาเท่านั้นถ้าไมมีเกียตนะเราสมอลเขาเบเขารักษาทับย์ขงเขาดีสมอลในด่าะว่าเรามีศีลตัวอภินาทานก็ไม่ล้แต่้าเขาจะหาอยู่หาจีนฝให้เขาเอวนพบปะศัตรูฝั่งฟัน จะเอามาเป็นอาหารของเราเราไม่ไ่าว่ารักษาปานาที่บาดได้ปลอดภัยกว่ามากสิ้นส่องอาศัยเจานาของสิ่คสวนค่าเราไม่ฆ่เาเรางดเลี้ยเห็นชี้ิตของเขาเหมือ น, นกันกับชีวิตของเรารักให้สวงแหนชีวิตของตัวอย่างเราเขาขอเกี่มีจิตมีใจรักให้ชีวิตของเขาอย่างนั้น คิดบ้าอย่างนั้นไม่ฟ้ามากที่จะเปข่าชีวิตของเขาเราตกหลุมไปเราคือว่าเกีานารักษาไว้ภายในใจทั้งตนเห็นปัดขี้ควนฆ่าไหมค่าเว็นของที่ควน ร, รักควนสะโมยไม่รักไม่สะโมย ม, มีเจรตนาอยู่ในใจอย่างนั้นเราคือว่าเส็นขีขาหา่าเราไปทำ ล่วงสีข่าวของคือเราไม่มีเจตนารู้เจตนากะทำให้ล่วงไปในคิดถึงชีวิตของของแข็งแห่งของเขาเดือนนั้นกางรักษาสีที่พระพุทธเจ้าบ<อ>าวามีอานิสงกว่าเพราะว่าโลกทั้งหลายที่เดือดร้อนวุ่นวายกว่าเพราะมนุษย์ทั่วไปไม่มีสี ท่าหาวนุษย์เนี่ยศีทุกท่านทุกคนไปจะเว่าเนื้อชั่วเจาผ่้สัตย์ถูกใจต่อกันไา่ต้องมีตำรวดทหารรักษาบ้านเมืองแต่ก็เ ย, ยือกเย็นพระจิตเจทั้งคนเป็นศีลเ็นธรรมด้วยกันเหมือนกระว่าพระเจ้าพระสงฆ์อยู่รวมกันไม่ได้คิด อิจฉาพยาบาทกันไม่เคยคิดว่าทิสุองค์นั้นสามเณรองค์นี้จะไปขโมยเอาของที่วางไวท้ที่นั้นที่นี่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เพราะผู้ที่มีศีลศีนจึงทำโลกให้เยือกเย็นได้โลกจะไม่วุ่นวายเพราะมนุษย์มีศีนศีล ก่อมีอยู่ที่ตายที่บาดใจขี่น้ำใจของเราพระพุทธเจ้ามาแนะนนำทำสอนก็คือเอาช่องเก่าช่องที่มีอยู่มาสอนกันเหตุนั้นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด่ามภาวนากหมุนกันที่แนะนำทำสอนสาธวกใส่รู้จักขัดขวางความยึดมัน่นชื้มัน่นในจิตในใจ ก็ไม่ใช่เอาออกมาจากที่ไหนมาสอนเอาออกจากกายจากใจที่มีอยู่ตดขั่วไปนั่นเองใจของเราายที่นี้ที่จะรณาหาเหวดหาผลในที่นี้ที่จะเรายนบิดผลอบรมก็เลยเข้าใจว่าเรื่องขั่วไปที่เราติดใจเรายินดี ที่ขาดาการพิจารณาเป็นคของดีโปเสีย้าหากคืกอพิจารณาปัญแยกชายวางเตาก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าคือเราจิตออกสิตใจเทิดเทินมัวเมาเป็นของที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ไปได้เพื่อนั้นตามแนะนำผ่ำานสรนสาวพระพุทธเจ้าที่เอาของมี อ, อยู่มาสอน อย่างสอนให้พิจารณาตายตัวคือตายมีอยู่ตายเป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงของปุถุชนคนที่มีเหลือมาด่าเย็ดตายของเราตายของเขาว่าเป็นของสวยสดงดงามติดตามเถเ่ินไปต่างๆ หากคือด้วยที่เจรนาจีิจังตายของทุกท่านทุกคนเหมือนกันเมื่อเห็นเหมือนกันวางเดียวกันเรามีอย่างเราเขามีอย่างนั้นก็ไม่ น, น่าตำหนะไม่น่ายินดีไม่น่าเหตุผลป้าของเราเป็นทุกอย่างเราป้าของสัตว์ทั่วไปก็เป็นทุกอย่างนั้นป้าของเราสกปรปกอย่างเราป้าของสัตว์ของบุคคลทั่วไปก็สกประปกเหมือนกัน เกิดนั้นพระพทธเจ้าจริงฮนะนำ่ำสอนให้พวกเราที่กรลังาตายให้เห็นตามเป็นจริงข้างมันว่าตายของเราสกปรกหรือสะอาดตายของเราสวยงามหรือขี้เหลืออย่างไรให้เห็นตามเป็นจริงผม ข, น, ขนเลื่อฟันหนังนเนื้ออันกระดูกฟันหนั ใครที่เรณาให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ของผู้หญิงก็เหมือนกันกับของผู้ชายของผู้ชายก็เหมือนกันกับของผู้หญิงเห็นของเราจริงคนอื่นสัตว์อื่นก็จริงเหมือนกันนี่พระหลงตายของเราจึงไปเข้าใจตายของเขาผู้อื่นว่าสวยหวานคือท่านสมมติว่าตายก็คือเราตายไปตายไปเสยในที่นี้พิจารณา ว่ามันเป็นอย่างไรโดยไปเห็นท้องใหม่เห็นคนอื่นว่าสวยวางงามชิดอกผลาใจไปผ่านที่ให้พิจารณาตายข้างเราหวัดตาไปให้พิจารณาให้เศร้าอกเศร้าใจในเรื่องของตายแทบเกินตายเป็นสุขหรือตายเป็นทุกข์ให้พิจารณาแน่นอนลงไปเราทุกวันนี้ที่ ได้รับความทุกข์ยากลําบากก็เพราะเรื่องมีตายนั่นเองเราหลงเรื่องของตายนั่นเองเราจรึงได้รับความยุ่งยากลําบากต่างๆนานาหากเราพิจารณาเรื่องของตายเข้าใจชัดเจนเป็นจริงแล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกซึ่งเรียกว่าธาตุบินอตกออกจากเนื้อจากตัวของเรา ไปไม่กี่วันกี่ดวอนกี่ปีก็จะกลายเป็นดินไปจริงจงจังๆเราความยึดถือว่าผมขนเล็บันหนังเป็นของสวยงามเมื่อหาดมันแตะผ้าลงไปเป็นดินจริงจังแล้วเราเคยติดห้องยินดีไหมในดินว่าที่นั้นสวยที่นีงามอยากจะได้มากราบชมเคย ม, มีไหม ไม่ใช่จิตอกจิตใจของเหล่านี้เป็นดินจริงจริงจังจังจิตของเราไปสําคัญมั่นหมายว่าหญิงวายชายด้ตรวจความพออกพอใจอยากได้ตําหนักยินดีหากที่นี้พิจารณาจริงจังแล้วตายของเราสักแต่ว่าตายเท่านั้นไม่มีความสําคัญอะไรในเรื่องของตายถ่วไปเราจะพิจารณาได้ความตาหนัดยินดีพอใจ เป็นเรื่องของใจแท้ๆไม่ใช่เรื่องขอ ง, งตายตายเมื่อมันแตกมันตายไปแล้วจะไปทิ้งกองกันไว้ในว่ายืนว่ายชาจิตคายกำนัดยินดีในกันและกันแต่เท่าว่าเมื่อจิตออกจากร่างอันนี้ไปแล้วรูปเหล่านั้นเอามากองเทินกันขึ้นจะสูงขนาดไหนก็าตางก็ไม่เคยทำ อะไรต่อกันมีใจจะเสียจะเน่าลงไปสู่ท้องเก่าคือเป็นดินเท่านั้นความสําคัญของใจในที่นี้ที่จะรนาว่าใจมันได้อะไรจากการนุ่มหลงนอกจากความเป็นทุกข์หมที่จะรนาให้เข้าออกเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ทุกท่านทุกคนย่อมปวดยอมยอ ม, อ ม, ม, อ ม, มีด้วยกันทั่วไปเพราะเหตุป่า ใจของเราไม่เคยฝึกผลใจของเราไม่เคยอบรมใจของเราไม่ได้ทิ่นิพพานาะตามจริงจริงของมันใจจึงไปเด็ดมัน่นถือมัน่นว่ากายเป็นของของเราเราเป็นกายกายเป็นเราเมื่อหาดที่นิพพนะิจาจริาจริงๆต่าั ง, ง, ง, งแล้วก <c oughs> ายเขาไม่เคยว่าเขาเป็นอะไรผมเราก็สมมติเอา ขนเราก็สมมติเอาหูตาเราก็สมมติเอาฝ่ายขาเราก็สมมติเอาเขาว่าเราว่าเป็นฝัน่งส่าขาไหมเราก็ว่าอันใหม่ขเขาจะเสียใจไหมไม่มีเสียใจไม่มีดีใจร่างกายมันเป็นอย่างไรเป็นของกางอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเขาที่จะประทับษาไปซึ่งเรียวกว่าอ น, นิจจังเขาจะลไปตามหน้าที่ของเขาไม่เคยยินดี <c oughs> กับเราเราที่ไปหลงกับเขาจึงเป็นเร่องทุกข์เกิดขึ้นในใจเมื่อเขาแก่ก็ไม่อยากให้เขาแก่เมื่อเขาเจยบก็ไม่อยากให้เขาเจ็บเมื่อเขาตายก็ไม่อยากให้เขาตายแต่การตายเขาไม่เคยหลงลืมเรื่องของเขาตัวขึ้นมาแล้วก็แปรไปตามเรื่องของเขาแล้ว็ปรสลาก็ตามเรื่องของเขาเราก็หลุมหลงตั้งหาทีนี้ที่เจรนาของขี่มีอยู่ ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงนี้แหละเป็นคําแนะนำพันสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาจากของมีอยู่มาแนะนำพันสอนพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็พิจารณาของมีอยู่ให่รู้ให้เห็นตามเป็นจริงจึตจึงจะถอนอุปาทานความยึดมั่นสำคัญมาว่าตายของตนนึือว่า ย, ยิงว่าชายออกบ่าหากในที่นี้พิจารณาอย่างนั้น จะเข้าแก่สักตาหใดจะอยู่ไปนานกีสิบปีก็ไม่มีเวลาจิตใจที่จะถอนชายออกจากเรื่องปัญหาได้เหตดนั้นจงพากันที่นิพพานาเรื่องของร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรนอกจากใจไปยึดไปถือใจที่ไม่ที่นิพพานา เห็นตามความเป็นจริงจึงขอดถอนอุปการ์ออกจากสันดานของตนไม่ได้เมื่อขอดถอนอุปการ์ไม่ได้ชามเลียนบ่ายตายเกิดเราจะต้องเลียนบ่ายตายเกิไปตามอำนาจของตนที่เราจะทำเราจะทำกรรมอย่างไรตามเหล่านั้นแหละจะติดต่อยตามตัวของเราไปให้เจ้เกิดในครบน้อยครบใหญ่ถ้ากเราขอดถอนอุปการ์ได้ ทีนี้ทิจเรนาะตามจริงจริงจนถอนความยึดมั่นสำคัญหมายว่าตายไม่ใช่เราเราไม่ใส่ตายออกได้ควานตระหนัดยินดีที่จะมีอยู่ในตายของเราไม่มีเมื่อไม่มีในตัวของเราคนอื่นเราจะไปตระหนัดยินดีอย่างไรได้แต่ทีนี้ทีิจเรนาะพยา ย, ยามทายในเรื่องเหล่านี้ยึด เมื่อหากเราฝึกฝนทรมานอบรมจริงจังๆให้ยังรู้ในสัจภาพของจริงถัถ่วๆไปแล้วจะไม่มีความยึดมั่นสําคัญหมายเรื่องตัวเรื่องตายไม่เป็นของสําคัญเพราะเรื่องของตายต่างหากตายมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่จิตของ เราทุกท e <c oughs> the ่านหาอบรมจนถึงความเป็นจริงแล้วเรื่องของธาตุองขันเห็นเรื่องของมันชัดเจนใจเจ็บปวดลดเหนื่อยสักเท่าเราเรื่องของใจเมื่ออบรมดีแล้วเวทนาความสุขเวทนาความทุกข์ลดเฉย เราเราเห็นตามเป็นจริงเรชาณาสัตว์แปลว่าเรชาณาในใจสัตวในใจบุคคลเป็นของที่มีอยู่ประจําตายประจําใจปต่ความรที่หลุดออกไปจากเรื่องของเวทนามีอีกอันหนึ่งเวทนาจึงเชื่อกันได้ว่าเป็นของ ไม่แอบอิงสิ่งอาศัยไม่ใช่ตัวของสี่งแฉกผู้ที่นิชเจนนาหยาบคายในเรื่องของเวทนาจะเห็นใจจักขึ้นในใจท่องตนคอยที่นิชเจนนาเหมือนกันในเมื่อเวลาเข้าหนักลงไปบางชาบางสมัยเรื่องของใจกับเรื่องของกายกับเรื่องของเวทนเาเป็นอย่างไร เข้าใจในตัวเองชับเจนตายเหมือนกับคลองจิตเหมือนกับคลองอเวทานาเหมือนกับเสียงถ้าเปลาอยู่เฉพาตายเทืจิตไม่เข้าไปวาดอินใ น, นเรื่องทั้งกายเปล่าก็เป็นฝ่อสักว่าเาเวทนาก็โสดขึ้นไม่ได้ ถ้าหาดจิตเปล่าเธาไปกระทบปั่นหระอไสอากันเรีนธนาก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับทลองเธอไปมีคล้องเวลาคลองเป็นเสียงก็ไมบ้างเวลาเสียงเป็นคล้องก็ไมบ้างเวลาค้องมันเป็นเสียงก็ไมบ้างอยู่เหมือนกันเหตุนั้นจิตก็เป็นจิตเรีนธนาก็เป็นเรีนธนาตายก็เป็นตาเป็นคนละอันอย่างนั้นเมื่อมันเป็นคนละอันอย่างนั้นไม่ไปสมประสิทธันมันก็เก็บ ปวดมากสัตเท่าไรใจของเราก็เป็นอันหนึ่งอยู่รู้เรื่องของเวทนาอยู่ไม่ได้ไปเสียอกเสียใจไม่อยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจะเพิ่มทุกข์ทางสิตคิดจิตที่ไปรู้เห็นเรื่องภาพขันตามเป็นจริงอย่างนั้นจะต้องอาศัยการที่นิจเจนาฝึกผลจริงจรงจรเมื่อเราเห็นอย่างนั้นได้ เรื่องความเป็นควาตายเจ็บมากเจ็บน้อยเท่าไรสติจะไปเพิ่มไปหลงว่ามันเจ็บอย่างนั้นมันปวดอย่างนี้เอาจิตใจออกไม่ได้อย่างที่เราเคยเจ็นมาในระยะที่เราไม่เคยสึกฝนเจนไปไม่ได้จิตของท่านจะต้องเป็นจิตอยู่อันหนึ่งเนทนากน้าตายมันจะเป็นไปอย่างเราหน้ า, น า, นนนน า, าหน้าที่ของมันภาพขันมันมีมันจะต้องเจนไปตามหน้าที่ของมัน เร้ว่าเรื่องของธาตุขันเป็นอันหนึ่งซึ่งห้ามไม่ได้มันจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันอย่างไรเปล่อะไรมันไปไม่ไปเกาะไม่ไปจิกในเรื่องเหล่านั้นผู้ที่เห็นในธาบุในขันบริสุทไม่มีการลืมไม่มีการหลงไม่มีการคุกไม่มีการ ล, ารารลำบาก เข้าใจเห็นจริงอยู่อย่างนั้นตามเป็นจริงของมันนี่แหละตามสึกผลจิตใจที่พระพุทธเจ้าแนะนำคำสอนพวกเราอยากจะให้ฝึกฝนอบรมก็เพราอยากจะให้จิตเห็นตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าเคยฝึกพระองค์เห็นตามเป็นจริง ม, มาจริงใจมาแนะนำคำสอนพวกเราผู้ที่หลงไม่ได้เขาศึกษาไม่ได้ฝึ ก, กจิตอบรมใจของที่มีอยู่ แต่ไม่มีความรู้ไม่มีทางฉลาดที่จะทําสารประโยชน์ให้แก่ตนได้เหมือนกับคนโง่ไม่มีอยู่เต็ป่าเต็ดงจะมาทําบ้านทำเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยก็ทําไม่ได้เพราะเขาไม่ฉลาดเขาโง่ถ้าคนฉลาดเขาก็ทกําขึ้นได้ของที่มีอยู่ตามดินตามหญ้านคนฉลาดหามาเป็นสมบัติของเขา ซึ่งขายจับจ่ายได้ทางนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านเป็นคนฉลาดทีนี้ที่เจ้าของมีอยู่ให้เป็นของมีละคมราชาขึ้นมาแนะนําพ่อสอนสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความรู้ความฉลาดตามตามพระ อ, องค์ไปไม่ได้อาศัยของอันอืน่นของที่มีอยู่ทางนั้นเปิดปวกล่าวทุก ท่านทุกคนม่ด้คนคิดที่นี้เป็นเจรนาหาเรื่องของจริงที่มีอยู่มาทำสาระประโยชน์แก่ตนเหตุนั้นจิตของเราจึงเกิดตังบนเกี่ยวข้องตัวทันมัวเมาเศร้าันไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเพราะการจิตอ 30. บรมของเรายังไม่เพียงพอบอริบูรณ์เพราะเราขาดความสลาดทางการภาวนาทางการอบรมจิตใจเหตุนั้น โรงพาันที่ิพพิจรณาตามเรื่องของธรรมธรรต่างสอนของพระพุทธเจ้าอุตสาพยายามจิตตามเข้าสวนในสิ่งที่มีอยู่ของตนจนรู้เหตุเห็นผลแจ้งไปจับจนจิตใจของตนได้พ้นไปจากความยึดมัน่นถือมั่นใน่านในขันธ์ ว่าตนว่าสาองของตนความหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็จะแจ่มใสเข้าใจในตัวของตัวเองเพราะทำเป็นสันที่ผิดโกคือเห็นเองเราผิดมันเป็นอย่างไรเราพ้นมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จะเห็นขึ้นในจิตในใจของเราโดยไม่มีทวามสงสัยว่าธรรมะธรรมสั่งสอน ข, ของพยายามเน็กตื่นขนาดไหนจิตใจของเราใใเป็ในไปอย่างไร ถึงยิ้มหลุอพ่นหรือยังเราจะต้องสอบสวนทวนกระแสดูเรื่องจิตของเราเมื่อถึงที่แล้วความสงสัยลังเลในจิตในใจไม่ว่าในธรรมประเภทใดเราก็าจะหายสงสัยขาดออกไปจากอุปาทานความยึดมั่นทั่วไปจิตใจที่ฝุกผนอบรมได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้า ท่นนานสรรเสริญการกระทำบำเพ็ญของพวกเราทุกท่านทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่คามสงบสุขได้ไม่มีการไม่มีสมัยกายมันจะเป็นไปอย่างไรจิตใจไม่หวั่นไหวหรือกังบลหน้าก็เพราะอาศัยจะทำบำเพ็ญตามคำต่างนของพระพุทธเจ้า เริ่มต้นแติที่เรณาตายของเราให้หยัด่ายเข้าใจในเวงท้องตายตามเป็นจริงจิตก็ตจะบ่งเข้าสู่ความสงบว้วจิตมีอารมณ์ทันญาหรือะฎิทิปแฟงอย่างเราสติก็จะต้องตามรู้ทุกขณะจนจิตหลุดเรยออกไปจากความยึด ขางจิตเองเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ได้เพราะการประพฤติปฏิบัติของเราเดืนนั้นจงพากันประทําบำเพนวันสิ่งนี้เป็นวันโอกาสดีของพวกเราที่ได้เข้ามาในวัด บ, บาศ า, าสนาสละจิตการบ้าน<ม>าเรือนของเรามาประทาบำเพนให้เต็ที่ของเราหากเราประทาบำเพนรู้เห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นความ สงสัยภายในใจก็จะหมดต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าหรือพราวจุดผัวไปเหตุนั้น ท, ำ ท, ำทำํามตามสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจาึงเอาเอาอกมาจากของมีอยู่ซึ่งพวกเราทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันเกิดเกิเกิดตาก็มีที่เหลดปัญหามานะทิศก็มีแต่เรื่องท้องดีที่จิตจิตใจของเราไว้เราไมา่ได้สอามะสาสาง อะไรเป็นจิตเป็นใจทุกคนเข้าใจว่ามีใจใจคืออะไรเรายังไม่ยังรู้ว่าใจเป็นอย่างไรใจคืออะไรอะไรเป็นใจถ้าไม่รู้เรื่องของใจก็จะต้องคุกเงาวยื่นไปจิต ใ, ใจเมื่อ ท, ที่นิพพยานาหรืออบรมจริงจังแล้วจะต้องเห็นตามเป็นจริงถึงแม้จิตจะเป็นนามธรรมาไมนมีรูปแต่ปัญญาซึ่งอบรมศึกษา ก็ทาบำเท็ญควาเป็นนามธาทมเหมือนกันของละเอียดย่อมเข้าไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้เห็นกันประจักร์ท้าใจจึงจะช่วยไขเรื่องอุปาทานความยึดของใจได้หากไม่ศุดอบรมอย่างนั้นก็ไ ม, ม่มีวันมีเวล า, าที่พวกเราจะข้ามพ้นไปจากเรื่องของที่เหลือปัญหามานะิจิตรัได้ะพุชธเจ้าสอน เข้ามาสู่ตายสู่ใจทำทูกต่อไปเพื่เห็นบ้าเกิดขึ้นจากตายจากใจทางนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นขอทุกท่านทุกคนจงพาการฝึกฝนอบรมตายใจของสนให้เข้าไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างพระพุทธเจ้าที่ประทำมบำเพ็มาในอวสานตามแสดงธรร ม, มขอความสุข ความนห่วงดวงเกิดมีแต่ท่านผู้ฟัง่วงกันทุกคน้าเทินเยง